ผู้ตายเนีน่ยนะคะไม่ทราบว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าคือมันย่างนีคุณโยมนะจะขอเจอริญพรอาธิไายรับหรือไม่ได้รับมีเหตุผลในลากศาสชนะถ้าเขาตายเป็นเปรตได้รับทุกเวลาถ้าตายเป็นเปรจกชนคือเป็นเปรขอส่วนบุญนี่ต้องได้แน่แน่นอนอถ้าหาว่าตายไปตกนรกลงโล ก, กันไม่ได้ายิ่งฆ่าตัวตายนะไม่ได้เลยนะ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 อพูดชื่อไปได้ใช่ไหมคะได้บางคนเนี่ยก็งงงเขาเจริญพรค่ะถ้าในเสือสายโลหิตไม่ต้องออกชื่อได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยต้องออกชื่อทันทีเราโหสดิกรรมมาเขาได้ไหมโหสดิกรรมมาเขาได้แล้วศัตรูจะเป็นมิตรเราทันทีอแปลเมตตาไปอย่างนั้นค่ะนะถ้าหากว่าญาติของเราเนี่ยสายโลหิตเดียวกันเจ็ดชั่วบใบผรุษเนี่ยไม่ไม่ออกชื่อก็ได้อย่างขนาดลูกหนีไปบวชเนี่ยพ่อแม่มาจะบวชให้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 นางจะเริ่มวิปัสสนาจะไปเร็วมากขอขอประทานโทษซื่อีกนิดหนึ่งทาน<ะ>ไม่มีศีลเหมือนสินค้าไปเรือพายถ้ามีศีลเหมือนสินค้าไปรถยนต์เข้าใจคา น, นี้มไหมถ้ามีภาวนาเหมือนสินค้าเราไปเครื่องบินไอพ่นด้วยจัมโบ้ด้วยก็ถือว่าถ้าใครทําไม่ได้ในขั้นสูง ก, ก็เริ่มจากขั้นต่ําไปขั้นต่ำไปก่อนทานชีะภาวนานี่ะน ะ, ะทําไปก่อน<ะ>บุพีกถาภาลนาทานไม่ตา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 สัตพศสัตว์าทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นหลักแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเพียงแต่นึกในใจคนใชนะ <Okay. S 2> ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ให้แก่ใครแลสระสัปสัตว์ทั้งหลายอยู่ทั่วไปจะเป็นเทใส่เจ้าเจ้า ก, กรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีเวรจะมีกรรมต่อกันก็แผ่ด้วยการอ้โหสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมต่อกอนันชนะการอย่าไปจองเวรกรรมมาต่อไปก็แผ่ได้ค่ะห okay. ลวงพ่อครนะับเอาที่กรวดน้ำมา ให้หลวงพ่ให้ดูวิธีที่ถูกต้องเวลาพระยับถาเนี่ยมือใช้จับนี่มือขวาจับนี่ให้มันสวยงามหน่อยเนี่ยเนีย่ยเทปไปอย่างเงี้ยเนี่ยเทปไปอย่างเงี้ยแล้วเอามือไปอุดทําย <c oughs> อุดทาํามบางคนไม่ได้อุดนะแต่บางคนแบบแค่แบบให้น้าไหลไหลไหลไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มือมาลองกัน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 ออกไปออกทีวีอายต่างประเทศเขาตอนหลังเขายังแพ้ได้กวดน้ําเป็นนะบูในหลวงให้ไหมไเจ้าอยู่หัวเวลาใครจะไปนอกเทเลยเทเลยมีเอาเอาอานี้อุดไหมเอาพระหัตอุดไหมไม่มีเลยเทเลยเทเลยเทเลยอย่างงั้นเถอค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคําถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อสําหรับวันนี้นะคะอได้ยินคนเขาพูดกันมามากว่าก่อน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 การนึกถึงบาปไปทางอากุศลแต่จิตใจก็เล่นล่องไปทางบาปที่ต้องทำไว้จึงมีความสำคัญมากสมมุติว่าไปกระเซิบข้างหูไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เขาเสียเนี่ยนะคอมีภาพรูปอยู่ในมือจับไว้หรืออะไรไว้เนี่ยเขาจะไปดไีได้นอนน่อสมัยโบราณพุทธการมาจนมายุคใหม่ไม่เคยใช้ไปตายโรงพยาบาลหมด คนเนี่ยรู้เนี่ยเขาจะรู้ว่าจะไปนะขอพูดสักหน่อยคเตรียมไถเสื้อใส่ผ้ า, าชเชี่ยเอานอนออกก็มีออกตายพอดีเลย <ฮะ S 1> แล้วคิดว่าจะเอาไปได้เอาไปได้ที่ไหนเล่า <ฮะ S 1> เอาไปไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะแต่ไม่ไมเล่าในขณะนี้นยกำมีเรื่องเล่าเยอะแล้วเวลาคนจะตายเนี่ยเขาจะให้สงบเขาจะทำซองทูปเทียนมาใส่มือไว้ <ฮะ S 1> อันุจึงพระไว้พุโทโธพุโทโธตรมโมทั้งโว่าไป แล้วก็คนไข่คนจะตายก็ละมลึกถึงบุตโธแล้วก็ถึงพระได้<ต>ดีได้เดี๋ยวนี้ไม่มีทูบสองหรอกตายของอาจะอยู่นั่นสิหาถ้าเป็นในกรณีอย่างนั้นนะเขาไม่มีอะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่ชาแต่แว่าถ้าไม่ใช้จะทำไงวิธีแก่ต้องฝึกตั้งแต่ก่อนฝึกจิตให้มันถึงเวลามัต้องไปเอาทูบเทียนมาใส่มือแล้วจิตมันถึงธรรมะแล้วถ้าหากมาสมัยโบราณเขาไม่ค่อยได้ฝึกกัน